มีชายวัย30เล่าว่าวันหนึ่งก็ไปเดินเล่นแถวสวนสาธารณะก็ไปเจ อ, อาชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่บนมานั่งในสวนเห็นเข้าก็จำได้ก็ไปทักผู้เฒ่าคนนั้นครูสมศักดิ์ครูสมศักดิสสก์จำผมได้ไหมแล้วแกก็เล่าฟังว่า เคเป็นนักเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับที่ครูสมศักดนะิ์เนี่ยเป็นครูประจำชั้นดีใจมากนะแล้วก็ไต่ถามทุกสุขของครูครูก็ทักทายตอบนะแล้วก็พอจะจำได้ละชายคนนี้แล้วก็เลยถามต่อไปว่าตอนนี้เธอทำอาชีพอะไรชายก็ตอบว่าตอนนี้ผมเป็นครูครับ แล้ครูทราบไหมเนี่ยที่ผมเป็นครูเนี่ยก็พราะประทับใจในคุณธรรมของคุณครูเจ้าไม่ได้มีครูสมศักดิ์เป็นครูประจำชั้นนี่ผมก็คงไม่ได้เป็นครูเลือกจะเป็นอะไรที่มันยิ่งอะไรที่มันแย่กว่านั้นก็ได้อะไรที่มันแย่ๆ ก, ก็ได้แต่ที่ผมตัดสินใจเป็นครูเนี่ยเพราะว่าผมประทับใจในตัวคุณครู ครูมศักก็เลยถามว่าเป็นยังไงเหรอชายก็น้าก็ล้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเด็กชั้นปถมนะปสามวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนร่วมชั้นเขาได้นาฬิการเรือนใหม่แล้วเขาก็มาโชว์ให้เพื่อนๆนเห็น นะนาฬิกาเรือนนั้นตอนนั้นผมเห็นนะ่ผมก็อยากได้ผมก็อยากได้แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งนาะที่เพื่อนเนี่ยเขาเผลอวางนาฬิกาไว้ผมก็เลยขโมยนาฬิกานั้นเฉลยเพื่อนนี่พอรู้เนี่ยว่านาฬิกาถูกขโมย ก็มาฟ้องคุณครูคุณครูก็เลยถามนักเรียนในชั้นนะว่าใครที่เอานาฬิกาของเพื่อนไปช่วงเลิกเรียนหรือช่วงพักให้มาบอกครูและเอานาฬิกานั่นมาคืนเพื่อนถึงเวลาพักแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใคร มาแสดงตัวนะว่าเอานาฬิกาไปแล้วครูทำไงทราบไหมครับครูจำได้ไหมครูก็ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนเนี่ยยืนล้อมวงเป็นวงกลมแล้วปิดตาแล้วครูเนี่ยก็เดินรอบวงเอามือล้วงกระเป๋า ของเด็กนักเรียนทุกคนซึ่งปิดตาอยู่ก็บังเอิญวันนั้นเนี่ยผมขโมยนาฬิกาเสร็จผมก็มาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงและในีสุดครูก็เจอนาฬิกาในกระเป๋าของผมตอนนั้นผมรู้สึกแย่มากเลยนะที่ถูกครูจับได้อับอายมากเลย แต่ว่าครูก็ไม่ได้ดูด่าว่ากล่าวผมเลยแล้วก็ไม่ได้ประจานผมด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครที่รู้ว่าครูเจอนาฬิกาในกระเป๋าของผมนอกจากครูไม่ได้ประจานไม่ได้ดูด่ า, าว่ากล่าวแล้วครูยังไม่ลงโทษผมอีกผมซาบซึ้งใจมาก เพราะถ้าครูดุด่าว่ากล่าวยังพอไหวแต่ว่าถ้าครูประจานผมต่อหน้าหรือลงโทษผมผมก็อาจจะไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะแต่ครูก็มีเมตตามากนะครูไม่ดุด่าว่ากล่าวครูไม่ลงโทษผมเลยแค่นี้ผมก็ รู้สึกสำนึกผิดแล้วเข็ดหลาบแนะนนแต่นั้นมาผมก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นคนที่ดีให้ได้ไอ้ที่ผมประทับใจครูอย่างหนึ่งนะก็คือว่าครูปฏิบัติกับผมเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยปฏิบัติกับผมเหมือนคนปกติเหมือนกับนักเรียนทั่วไปไม่ได้มองผมหรือปฏิบัติกับผมเหมือนกับเป็นขี้ขโมยเลย อันนี้คือสิ่งที่ผมซาบซึ้งใจมากถ้าครูเนี่ยมองผมเป็นขี้ขโมยและปฏิบัติกับผมนะเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เกเรนี่ผมก็คงจะแย่นะคงจะรู้สึกว่าตัวเองนี่เอาดีไม่ได้แล้วแต่ครูไม่ทำอย่างนั้นเลยผมขอบคุณครูมากเลยพูดจบครูก็บอกว่า ครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ว, ว่าเธอเป็นขโมยว่าตอนนั้นครูก็หลับตาเหมือนกันโอเป็นหักมุมที่เรียกว่าประทับใจมากนะการที่ครูสัส่งเนี่ยนะไม่ดุด่าว่ากล่าวนะไม่ลงโทษไม่ประจานเด็กที่ขโมยเนี่ย ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาครูหรือพ่อแม่หรือใครก็ตามจับได้ว่าคนที่ตัวงดูแลนี่ขโมยนี่ก็ยังต้องทำแบบสุดซอยเลยนะทำตามสูตรก็คือว่าต้องวิจารณ์ต้องด่าว่าต้องลงโทษแต่ครคูสมสังเนี่ยแกไม่ทำแบบสุดซอยนะและที่สำคัญเนี่ย แกไม่อยากจะรู้ได้ว่าใครขโมยเพราะว่าถ้ารู้ว่าใครขโมยเนี่ยแกคงจะมีคติแม้จะมีเมตตากรุณายอย่างไงแต่แกคงจะมีคติว่าไอ้นี่มันขโมยก็อาจจะไม่ชอบอาจจะมีความไม่พอใจซึ่งก็ทำให้การปฏิบัติต่ตอเด็กคนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนทั่วไป ซึ่งก็ทำให้เด็กคนนั้นรู้สึกแย่แล้วเด็กเนี่ยพอรู้สึกแย่แล้วเนี่ยก็คิดว่าฉันเนี่ยคงจะเอาดีไม่ได้แนละ้วเาเรียกว่ามองตัวเองเนี่ยแบบติดลบก็คงจะไม่สามารถที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีหรือว่ามีกำลังใจในการที่จะทำความดีได้อันนี้ก็เรียกว่าครูสมประสงคนี่แก่มีคุณธรรม แล้ก็มีปัญญาเนะีเข้าใจจิตวิทยาของเด็กเข้าใจจิตวิทยาของคนทั่วไปและการที่ก็มีศรัทธานะว่าเด็กเนี่ยไม่ยังเป็นต้องลงโทษไม่ยังเป็นต้องประจานเนี่ยแค่รับรู้ว่ามีคนรู้ว่าตัวเองทําผิดเนี่ยแค่นี้ก็อับอายขายหน้าพอแล้วมากพอที่ทําให้เกิดความสํานึกผิดแล้วกลับตัวกลับใจนะเป็นคนดีได้ อันนี้ก็เลยว่าต้องมีศรัท ธ, ธานะมีศรัท ธ, ธาใ น, ในคนมีศรัท ธ, ธาในเด็กเพราะบางครั้งใ น, นเราคิดว่าเนี่ยคนมันจะกลับตัวกลับใจหรือว่ารู้จักเข็ดลาบไม่ทําความชั่วยได้เนี่ยมันต้องลงโทษอย่าง น, น้อยก็ต้องดา่าหรือว่าประจานมันจะได้เข็ดลาบแล้วมันจะได้ไม่ทำชั่วอีก แต่ว่าสาหรับครูสมสารในแก่คงมองว่าเนี่ยทำอย่างนั้นนี่ก็อาจจะมีผลตรงข้ามแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกแย่กับตัวเองอับอายขายหน้าจกนกระทั่งไม่เป็นผู้เป็นคนหรือรู้สึกแย่กับตัวเองมองตัวแบบติดลบและยิ่งถูกเพื่อนๆ เ, เ, เขามองนะปฏิบัติกับเด็กคนนั้นว่าเป็นขโมยเนี่ยมันก็ทำให้ ความใฝ่ดีในใจเนี่ยมันไม่มีพลังมากพอที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แล้วครูสอสองนี่แกก็ไม่รู้นะว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยแกก็คงไม่แน่ใจว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเด็กจะกลับตัวกลับใจหรือเปล่าแต่แกมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยโดยเฉพาเด็กๆเนี่ยเขมีความสํานึกนะที่เอื้อให้รู้จักกลับตัวกลับใจ เป็นคนดีได้ก็เลือกที่จะไม่ดุด่าว่ากล่าวเลือกที่จะไม่ลงโทษได้ที่มนมาคือว่าเลือกที่จะไม่รู้ด้วยนะว่าใครเป็นขโมยจะได้ปฏิบัติต่อเด็กทุกคนแม้กระทั่งเด็กที่ทำผิดเนี่ยเหมือนกับคนทั่วไปไม่มีคติเจรินะเพราะไม่รู้นะว่าใครเป็นขโมยอันนี้ก็ทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยนะ ในสื่อก็กลับตัวกลับใจได้จริงๆนะเพราะว่าแค่รู้ว่ามีคนรู้ว่าตัวเองทําผิดนี่ก็ับอายขายหน้าแล้วแต่ว่าเด็กคงไม่รู้ว่าจริงๆครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นขโมยแต่การที่ตัวเองทําผิดแล้วก็มีคนจับได้แค่นี้มันก็อับอายพอแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าหิลิโอตปะ น, นอกจากกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะยังอยากจะเป็นครู ด, ด้วยซ้ํา เพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจนะจากครูที่ดีๆซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูเหมือนกันนะนอกจากให้ความรู้แล้วยังเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมแล้วก็ให้กำลังเป็นแรงบันดาลใจให้คนนี่อยากจะทำความดีและเห็นคุณค่าของความเป็นครูแม้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จ ะ, ะหาเงินหาทองได้มากกว่านั้นแต่ว่าพอประทับใจในความเป็นครูก็อยากจเจริญรอยตามครูบ้าง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงความเป็นครูได้นะอย่างดีแล้วก็แสดงเห็นว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้โดยที่มันจะป็นต้องถูกประจานหรือถูกลงโทษเพราะการทำอย่งงางนั้นอาจจะเกิดผลเสียก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะเกิดผลดีเสมอไป